เราสวดปฏิคูลปฏิคู ล, ละบพัพพะธาะบาพัพพะว่าด้วยปฏิคูลโศครโรคร่างกายโศครโคว่าด้วยธาตุว่าด้วยป่าช้าเก้าอดูมีคำแลดูคำแปล ตรวเพื่อทร ง, งไว้นั้นเราก็มาดูคำแปลเพราะคำแปลทั้งหมดนี้เป็นบทพิจารณาพิจารณาร่างกายพิจารณาไปแล้วก็น้อมเข้ามาที่กายของเรานับตั้งแต่นู่นพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกพิจารณาให้เป็นปายชาเก้า พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลเพือพิจารณาเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายจามรวมแล้วก็เป็นอสุภามกันอสุภามเลี่ว่าไม่งามพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่งามเลยไม่งามไปอีกเลยไม่งามไปอีกให้เห็นกายสักพพาเป็นกายกายนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่พ้นเป็นอื่นไปได้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้คงเป็นอย่างนี้เห็นไหมเยวังเยวังธรรมโมเอเยวังภาวีเยวังอนัตติโตติกายกายานุปัสสิวิระติ เหตุทวากายเหกายานุปัตติญาติพิจารณาเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในกายตัวเราทั้งภายนอกกายตัวเราพิจารณาเห็นทั้งกายข้างในกายของเราพิจาราเห็นทั้งกายในกายที่เป็นกายในจิตนั่นแหละละเอียดทนายพิจารณาละเอียดในเมื่อจิตของเราใช้สติอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักตว่าเป็นสติ สักตะวรนลึกรู้ใช้สติสักตะวันลึกรู้อันนี้เป็นเงื่อนไขของมหาสติใช้เแต่ว่าสักว่ารนลึกรู้ใช้สติสักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนเป็นอื่นไปหมดไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นพิจารณากายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเป็นกระดูกเป็นเีื่อในกระดูกรวมไปแล้วมี ผ่าน ด, ดินผ่านน้ำผ่าน ด, ดินที่สิบผ่านน้ำสิบสองดูใหเห็นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั้นไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นแม้แต่อย่างใดอย่างนั้นใช้สติเป็นขอ้อกำหนดตระลึกรู้อันนี้เป็นเงื่อนไขของสติถ้าพิจารณาเป็นอื่นไปผิดหลักต้องพิจารณาสักจะว่าเป็นเครื่องระลึกรู้ผมก็สัก สักว่าเป็นผมไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นั่นไม่มีเป็นของของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นดึงความรู้สึกดึงความรู้สึกกลับมาอยู่กับสติมีสติกำกับรู้อยู่จมเพาะหน้าไม่ได้ยึดว่ากายเป็นเราเป็นผมว่าเราเป็นผมเป็นขนเป็นเล็กเป็นฝันไม่มีอาการสาสบสองไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในอย่างนั้น าอาศัยสติสัตย์ท่ว่าเป็นเครื่องราลึกรู้ทำให้กำหัดจุดจรอย่อย่างนี้ทั้งกายทั้งภายในทั้งภายนอกไเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางว่าน้อมมาพิจารณาของ้างนอกกายประน้อมมาทัื่กายนี้น้อมมาที่กายนี้อิมันเมวาโคไกยโยเยวันปาวี อวังทำโมอีว like like ังเาผีอวังอนาตีตกกายที่มีอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้คงเป็นอย่างนี้เป็นอื่นไปจากนี้ไม่ได้พิจารณาเห็นทั้งกายในภายในทั้งกายในภายนอกขอปฏิกูลเราพิจารณาเป็นธาตุธาตุสักแค่ว่าเป็นธาตุที่กินเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟสักว่าเป็นธาตุไฟเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําำธาตุลมธาตุไฟธาตุก็คือสิ่งที่เป็นมูลเดิม ประจํามาบนโลกนี้เป็นดินเป็นธาตุดินแข็งแข็งเป็นธาตุน้เอืบอาบซึมซาบเป็นธาตุไฟอบอุ่นในกายเป็นธาตุลมลมปลนปลืายหายใจเข้าหายใจออกลงในซองในท้องในไส้ลมพัดไปมาลมพัดตามตัวสักแต่ว่าเป็นธาตุใช้สติเป็นเครื่องกำหนดจุดจอดูให้เห็นสักได้ว่าธาตุ ไม่มีไม่มีเราเข้าไปอยู่ในธาตุเราไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ําไม่ใช่ธาตุลมไม่ใช่ธาตุไฟดึงความรู้สึกมาอยู่มีสติกากับขำหมดจุดจ่ออยู่ไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขของมหาสติในเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการทําลายอุปาทานในขณะปัจจุบันนั่นเอง เราใช้สติพิจารณากำหนดจดจอเพราะกำหนดอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เรากำหนดดูเดี๋ยวนี้ใช้สักแต่ว่าสติกำหนดดูระลึกรู้อยู่ตัวสติตัวนี้สักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องมือสําหรับพิจารณาให้เกิดคุณธรรมในหัวใจของเราได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมทีเดียวสติสติธรรมนี่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมที่มีอยู่ในจิตของเรา สติก็เกิดจากจิตสติเกิดที่จิตสติเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเกิดเกิดพร้อมกับอารมณ์ที่เกิดภายในจิตดับพร้อมกับอารมณ์ภายในจิตเกิดขึ้นพร้อมกันดับอยู่พร้อมกันใช้อารมณ์ตัวเดียวเกิดด้วยกันแต่อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวจิตแท้หากเป็นกิริยาการของจิตสติทำตัูปัญญารม มันเป็นเจตสิกก ร, รรมชนิดหนึ่งมันเป็นประเภทที่ทำให้จิตของเราตื่นโกรอยู่แล้ ท, ที่จริงก็คือกิริยาอาการของจิตนั่นแหละแต่ภาษาี่ธรรมท่าเรียบอันนั้นท่านนั้นดวงอันนั้นท่านั้นดวงอันนั้นท่านั้นดวงเขาเรียกเอากิริยาอาการที่มันแตกต่างกันออกไปถ้าเรียกว่าท่านั้นดวงท่านนั้นดว ง, นนดวงถ้าเราไปพิจารณาตามนั้นมันจะสับสนมันจะสับสน อันนั้นเป็นดวงอันนั้นเป็นดวงอันนั้นเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงอะไรเนาะเป็นดวงเป็นดวงแล้วก็ทําให้เราเคร่งใจสงสัยอยู่ในนั้นเราเพียงเด็ ก, กําหนดมาดูกิ า, าการความเป็นจริงของมันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่กายของเราปัจจุบันทันด่วนสดสดร้อนๆเนี่ยก็หนดย้อนมาดูกําหนดย้อนมาพิจารณาดูดูสติก็ดูให้เห็นตัวระลึกโปร่งอยู่เฉพาะหน้า ตัวพาตื่นรู้อยู่เฉพาะหน้าหรือตัวสติมันเป็นกิริยาการของจิตเป็นกิริยาการของผู้รู้พอเวลามันตื่นโปร่งขึ้นมาอาจารเรียกว่าสติจิตมีสติกำกับจิตมีสติเกิดขึ้นสติตั้งได้ายเกิดได้ไหมอยู่ๆเกิดขึ้นเองได้ไหมอยู่ๆเกิดขึ้นเองก็ได้เหมือนอย่างเราอยู่ๆเราก็ฉุกลึก คิดขึ้นมาได้จะทํามีสติเตือนให้เราเระลึกได้เราพยายามตั้งใจนึกตั้งใจคิดก็ได้อย่างนั้นเราจะกำหนดจดจอดเพิ่มพูนสติทําให้สีของเราเพิ่มพูนได้ไม่ได้เพราะ น, นอย่างเราเภาวนาให้จิตของเร า, า, รมมาดได้รับความสงบแค่เราต้องการสมถะให้จิตได้รับความสงบพุทโธพุทโธแล้วก็ระครพุทโธแล้วก็พระครพุทโธแล้วก็พระคระ มันก็เป็นการใช้สติใช้พลังของสติของสัมผัจัญทรยะนี่แหละอ่าเพื่อเป็นการมาตื่นรู้ให้ท่ารู้เราอยู่ก็เนื้อกบตัวไม่ให้ตัญหามันช่วยเอาจิตเอท่ารู้เอาผู้รู้เราไปใช้มันเป็นวิธีการเอาเครื่องมือที่ฉลาดแย่งเอาไม้จากตัญหาไม่งั้นตัญหามันดึงเอาไปหมดตัญหาไปนึกคิดไปปรุงตามภาษาของตัหา ความเคยชินของจิตมันไหลไปตามอารมณ์เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นผัสสะมันเป็นธรรมชาติของจิตมันไหลไปกับอารมณ์มันน้อมไปกับอารมณ์ที่เราเอาตัวสติตัวสัมผัสัญญาตัวนี้แหละมากํากับให้จิตมันโร่มันตื่นอยู่พิจารณาอะไรก็สักวัเตื่นอยู่แต่ถ้าหากรับไหลก็ เ, เ, เปลี่ยนไปตามหลักธรรมชาติ มันพ่านึกคิดเรื่องถูกเรื่องเสี ย, เ ง, เยเงเรื่อง่อเรร้องเรือผัสมันจะมีความยินดีร้ายเกิดเกิดขึ้นตามมามเพราะเพราะมันมีเกณฑ์กำกับอ่ามันมีเกณฑ์พอเราเห็นปั๊บเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเป็นสุขเ ว, เวทนาเป็นทุกขเวทนาอันนี้คือเกณฑ์ในการสัมผัสสัมพัสของมันเกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาและสิทธิกา ม, มาคือตัญหา เมื่อมีตัญหาโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไร่อุปาทานก็โผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นเส้นสายการเกิดของตัญหาใหม่ตัญหาที่กำลังเกิดใหม่ตัญหาเก่ามันส่งเรามาแล้วแต่เส้นสายระบบของมันเน่ะมันมีพร้อมที่จะปรุงให้เกิดตัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอเป็นเหล่าเป็นกอเป็นเผ่าเป็นพันของมันสืบช่วงต่อไปวิธีระงับวิธีระงับ ต้องไปใช้ให้ใช้วิธีการนีมีสติกำลัดจดจ่ออยู่ตัญหาใหม่ที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ตัญหาใหม่เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะพลังของสติของสัมผชสัญญะรวมเป็นสมาธิรวมเป็นปัญญาตล่ำลงมาด้วยกันทำให้มีกำลังทำให้มีพลังตัญหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้เรากำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ตัญหาใหม่เกิดไม่ได้เมื่อตัหาใหม่เกิดไม่ได้ พนมจดจอพิจารณาต่อไปเราพยายามคลี่คลายเพื่อทาทําลายตันหาเก่าตันหาเก่ามันพาเรายึดรูปยึดเสียงยึดขิงยยึดรถยึดสัมผัสยึดกายยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณตันหาเก่ามันพายึดต้างให้เราพิจารณาคลี่คลายคลี่คลายตันหาเก่าเพราะมันพาเรายึดรูป รูปคือหลงรูปยึดเวทนาคือ efendim, หลงเวทนาหลงว่ากายเป็นเราหลง ว, ว่าเวทนาเป็นเราหลงว่าสัญญาเป็นเราหลงว่าสังขารเป็นเราหลงว่าวิญญาณเป็นเราความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเรานั้นคือพลังของปัญหาคำว่าเป็นเราเป็นเราก็คืออัตตามันโผล่ขึ้นอัตตาแล้วพันมัดหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของพวกเราเป็นอัตตาตัวตนของเรา เมื yup. ่อ <mart target> มีอัตรามีอัตราเป็นของเราของของเราก็ต้องมีที่ระหว่างมีเราแล้วก็ต้องมีของของเรามีของของเราเมื่อมีของของเราก็มีการต้องการมีการแสวงหามีการดึงเข้ามาจุดเข้ามาน้อมเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาถือเข้ามามีการถึงหัวมีการ หว่วงเห็นว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของของเราอนี่คืออัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาปัญหามันโผล่ขึ้นมาทีาไรเมื่อไรอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเรามาต่อสู้ต่อสู้กันอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นประตูทําให้เราทะลุทะลวงไปสู่ความเห็นการยึดมั่นถึงมั่นในกายว่าตายทําความรู้จักกาย ความมันไปนยึดมั่นถือมั่นในกายที่เขาเรียกว่าสกายอาทิตย์กายกาทิติมีความรู้มีความเห็นด้วยการยึดถือว่าเป็นกายพิจารณาไปแล้วมันเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นกายจริงหรือไม่เป็นกายจริ ง, รงท่านใหพิจารณาตรงนี้ให้ใ ห, ให้เห็นเพว่าคลี่คลายเพื่อทาลายตาโุทิฏฐิตามเห็นตามสาคัญมั่นหมายว่าเป็นกาย ทา trend, hazard, yo, sol, and strong, ่านกล่ว่าละสกายะได้ละสกายะได้ความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายมันละทิฏฐิความเห็นมันละความเห็นความเห็นความเห็นเห็นว่าเป็นกายมันเห็นตามความเคยชินที่กี่มันป้อนให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันมันป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้จนเห็นเป็นเนื้อเป็นแท่งเป็นก้อนอันเดียวกันปัญหามันมันปลกฝังให้เห็นรูปกับนามเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกัน เห็นโลกขอบนําว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราพอพิจารณาแย่ๆอยู่อย่างนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าเอออันนี้เป็นปัจจัยเพื่ออันนี้อันนี้เป็นปัจจัยเพื่ออันนี้อันนี้เป็นปัจจัยมาจากสิ่งนั้นอันนี้เป็นปัจจัยมาจากสิ่งนี้อันนี้เป็นปัจจัยเพื่ออันนี้เพื่ออนี้เพื่ออนนี้อันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยปัจจัยเหตุอันนี้เป็นไปเพื่อผลอันนี้ปัจจัยผลอันนี้ จากผลกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดเหตุอันนี้กลายเป็นผลอีกอันน voilà> right> 네ี้เหตุเป็นผลเหตุเป็นผลอันนี้เป็นเหตุกลายเป็นผลของอันนี้ผลของอันนี้กลายเป็นเหตุของอันนี้เหตุของอันนี้กลายเป็นผลของอันนี้เป็นพ่วงผูกพันกันเป็นเหมือนลูกโซ่ความหลงของเรามันยืดมาเป็นเหมือนลูกโซ่ เราพิจารณาวนมาอยู่ยนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงที่มีอยู่ในกาอยู่มีอยู่ในจิตนี้รู้ระบบระบบการทำงานของจิตดวงนี้เราดูรกกากของตัณหาที่มันโผล่ขึ้นในจิตของเราเนี่ยรบกรากสายใหญ่ของมันเนี่ยละเอียดมากจนเป็นให้เราลุ่มหลงลุ่มหลงแบบตาใสๆสดๆนี่แหละเป็นเราเป็นของของเรายึดมั่นถือมั่น เอาเป็นเอาตายต้องได้ฆ่าได้แกงกันมีใครมาขัดขวางแบบโมโหโธโซด้วยเหตุที่เรายึดมั่นถือมานั่นแหละอ่ะเ า, าเกิดความโลภเมื่อเกิดความโลภแล้วก็เกิดความโกรธมีใครมาขัดมาข้องกัมีความโกรธอิจฉาที่เสียพยาบาททำสารพัดมันเป็นการวิ่งเต้นอยู่ปลายเหตุอยู่ปลายสายต้นต่อสาเหตุที่แท้จริงมันอยู่ที่การพิชชาตามหลักที่เรากำลังพูดอยู่นี่แหละ เรามาไล่ตามวิทยาตามอาการเพราะมันกำหนดตัวนั้นกำหนดตัวนั้นกำหนดดวนนั้นให้อยู่ในสายงานของสติของสัมพัญญะสักก็ ว, ว่าเป็นผู้ทำงานเป็นอื่นไปหมดดวนนั้นก็เป็นอื่นไปหมดดวนนี้ก็เป็นอื่นไปหมดไม่มีเราเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ตัณหามันลุกล้ำไมไม่ให้ตัณหามันพายยึดพาถื อ, อก็จะทำให้เราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจจะเริ่ม เนื้อตื่นตัวจากการยึดจากการถื อ, อความรุแรมมนร แ, รรแรงของความโลภมันก็เบาลงความรุนแรงรุนแรงของความโกรธมันก็เบาลงคว า, ล ค, วาความหลงมันก็เบาลงความโลภความโกรธความหลงเป็นกิริยาเป็นปฏิกิริยาของมันถ้าเราไม่ตามรู้เท่าทันมันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาความโลภ เพราะมันชอบใจมันก็ดึงเข้ามาไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปทั้งปลักออกไปทั้งดึงเข้ามามันมีค่าเท่ากันเพราะมันแปลให้เราผิดทำให้เราเข้าใจผิดเลยยึดผิดเลยถือผิดและสัมพันธ์มั่นหมายผิดว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนยึดเข้ามาด้ยอำนาจของความสาคัญว่าเป็นตัวเป็นตนผลักออกไปด้วยสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะอะไรเพราะไม่ชอบใจ คิดเข้ามาก็สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะชอบใจชอบใจก็เป็นกิเลสเหตุให้เกิดตันหาราคะไม่ชอบใจก็เป็นเหตุได้เกิดโทสัทั้งหมดนี้ก็มีโมหะเป็นหมูเป็นเขามันก็พันกันอยู่อย่างนี้เลยไม่จบไม่สิ้นเป็นผลผลของตันหามันพันกันอยู่ทุกระยะทุกเวล า, าเราพิจรารณากำนดจดจอ่อจดจ่ออยู่ดูเจ้าตัวความอยากเนี่ย ความอยากยึดเข้ามามันก็ยึดเข้ามาเดิมหน้าของความอยากผลักออกไปมันก็ผลักออกไปเรดิมหน้าของความอยากแม้แต่เรานั่งภาวนาเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ผลักออกไปมันไปไหมถึอยากมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเนี่ยเราผลักออกไปไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดคือที่แท้จริงมันอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดอยากสบายๆเป็นไปตามใจหวังไหมเป็นไปตามความอยากของเราไหม มันไม่ไปไปตามความอยากหากมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนี่เรามันหลงหลงให้กับมันตรงนี้ไม่ไพิจาราย้อนไปดูความละเอียดเส้นสายในการทํางานของมันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอกาสที่จะปลดเปลื้องทำยังไงความหลงเราจะเบาลงความโกรธเราจะเบาลงถ้าเราไม่พิจร า, ารณ า, าตามหลักมารฐิติปัฏฐานพิจารณาตามหลักสมถาทิฏฐิปัสนารัก สมมถาวีพปัสนาชี้มาให้ชัดเจนจริงๆก็คือหลักมาสติปพฐานี่เองอคือหลักมาสติพฐานที่ท่านพูดชัดเจนเข้ามาอาศัยผู้รู้หลายๆทางานแม้แต่เรากําหนดจดจ่อเพื่อที่จะบังคับให้จิตของเราได้รับความสงบก็คืองานของผู้รู้จะพิจารณาเกิดความรอบรู้เกิด ค, ความปัญญาเพื่อทําลายความหลงภายนจิตของเรา mm. ก็อาศัยผู้รู้ มีผู้รู้ดวงเดียวนี้แหละแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าไม่มีผู้รู้ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งก็เหมือนต้นเสาต้นหนึ่งดีๆนี่เองแต่ด้วยเหตุที่พวกเราบัตมาเป็นอัตเป็นตนตัวก้อนละก้อนเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นวัตถุก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งอ่ามีหัวมีแขนมีขามีลําตัวที่เราเป็นอยู่เนี่ย อาศัยเป็นผลิผลของสิ่งเหล่านี้ะปรากฏขึ้นมามีผู้รู้ออกมาให้ปรากฏในโลกนี้ออกมาทั้งตาทั้งหูจมูกเล่นกายใจผู้รู้อยู่ภายในร่างกายอันนี้ผู้รู้ตัวนี้แหละเป็นผู้ที่บทบาทที่สุดในอัตภาพร่างกายท่างการอัตภาพร่างกายเรายัางถือว่าเป็นผลผลของผู้รู้เป็นผลงานของผู้รู้ เป็นเนื้อเป็นหนังของผู้รู้มีผู้รู้อยู่เบื้องหลังแต่ถ้าผู้รู้เราบริสุทธิ์หมดจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัญหาด้วยอกปาทานผู้รู้ตัวนี้ก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดก็ไม่มีที่เกิดเมื่อไม่มีที่เกิดเราก็ไม่ต้องไปเกิดไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีชาติด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ปัญหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมาไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมีตัวทํางานเหมือนกับเป็นเวรเป็ น, ปนยามเฝ้าโร่วไม่ให้กับความหลงมันครอบงำความหลงครอบงำทีไรเมื่อไร่อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาทีนั้นเมืันนั้นอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาที ไ, ไรเมื่อไหร่อุปาทานก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นเมืันนั้นมีอุปาทานทีไรเมื่อไร่มีพบเขาว่าพบคือที่เกิด มีภพที่ไหนก็มีชาติที่นั่นคือความเกิดเราจะต้องไปเกิดในภพที่เรามีมีให้เกิดนั่นะผู้ทีท่จะทำลายภพชาติได้ท่านตัดกระแสตรงนี้ได้ตัดกระแสตรงนี้ขาดท่านไม่มีที่เกิดไม่มีตัวที่จะไปบัติในภพนั้นนั้นเพราะไม่มีที่ไม่มีภพที่จะไปเกิดไม่มีตัวหมายหมายว่าจะเอาอย่างนั้นจ้าอย่างนีจนงงน้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ หมายว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะมีอย่างนั้นจะมีนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นนี้ไม่มีตัวหมายเนื่องจากตัวหมายคือไม่มีที่ที่เป็นไม่มีที่เกิดไม่มีที่จะต้องไปเกิดหมดตัวที่จะไปเกิดมีภพมันยังจะต้องมีตัวตามไปเกิดในภพมันเป็นตัวเดียวกันไอตัวที่จะไอตัวที่จะเกิดไอตัวที่จะตามไปเกิดมันเป็นตัวเดียวกันไปจากผิดผลวองตัญหาในหัวใจของเรา รับพิจารณาย่างกระปพรอย่างกามายุกามายุกกระเพ ม, มันเป็นงานที่ละเอียดเห้องไหนมัคือการปฏิบัติธรรมการที่เราจชชะจะล้างจะขัดจากล่าวีนเหยียดออกจากหัวใจของเรามีทางเป็นไปได้รับพิจารณาตามหลักนี้แนละ้วเป็นไปได้ทำให้เราเข้าใจโอ้ครูบาอาจารย์พระสงส์สาวกพระริยสาวก ท่านใช้จิตพิจารณาตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อนเข้าไปพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ตามอยู่อย่างนี้มีความจริงปรากฏอยู่อย่างนี้ทําให้ท่านเข้าถึงความจริงได้นี่คือความจริงแท้ถ้าเราจะเทียบกับหลักอริยรรษษสัจสีก็คือกองทุกนี้เองรูปธรรมของเรานามธรรมของเราก็าคือกองทุกกอนทุกเป็นตัวผลหามันมีสิ่งหลักนั้นเข้ามาคือตัวสมุทยัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุก ที่ได้เกิดทุกข์ก็คืออะไรชี้ชักไปที่ชี้ชัดผัดไปที่ตันหาการมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาเราดูกิริยาอาการของความอยากในหัวใจของเราเราจะเห็นเราจะเข้าใจเองว่าโอ้การมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเข้าใจได้แต่ถ้าหากเราไม่ดูเราดูแต่ตัวหนังสือเราก็ไม่เห็น การตันหาเพราะว่าตันหาพิโพลตันหาเขไปไล่แล้วก็ไปตีความตีไปตีมาแล้ขัดกันแหละไม่ดูไม่ดิดูมาที่หัวใจดูหัวใจดูความอยากที่มันโผล่ขึ้นมาที่ใจดวงเดียวเนะี่ยมันอยากเรื่องของตันหามันอยากไปในทางชั่วช้า ล, ลามกอยากตีเกลียวกับสินกับศัพท์สินกับธรรมอยากฆ่าอยากลักอยากผิดลูกผิดเมียเขาอยากพูดเท็จพูดหยาบเนี่ยอยาก แสดงอย่างอิสระเสรีอยากกินเหล้ามายาอยากเล่นสารพัดเป็นไปตามปีนเกลียวศีลบ้างเป็นไปในในคลองของศีลของธรรมบ้างปีนเกลียวกับศีลกับธรรมบ้างอำนาจของความอยากแต่ถ้าหาเราทําตามอำนาของความอยา ก, าา ท, าาายากที่เป็นไปเพื่อขยจัดปัดเป่าสิ่งที่ปีเกลียวกับความสิ่งที่ปีนเกลียวกับ กับสิ่กับธรรมนี่ความอยกอันนี้ทั้งว่าเป็นมรรคเป็นมรรคอาศัยมรรคสองอย่างพลังของมรรคทั้งสองอย่างนี่แหละมาต่อสู้กันมาลบล้างกันอืพลังของตัณหามากกว่าตัณห์ก็ดึงจิตไปใช้พลังของธรรมะในหัวใจมีมากกว่าอ่ามันก็ดึงจิตเข้ามาใช้ตัณหาแลคอยหัวหดอยู่นั่นแหละอ่าเพราะอะไรเพราะมันมีธรรม เป็นเพื่อมาส่องม า, ด, มาดูมาตรวจมาตรามาคอยชะมาคอยล้างมาคอยขัดคอยเกลาจิตตรงนั้นก็อืมออกมาอย่างระมัดระวังมีตัวกำกับมีตัวควบคุมมีกรอบควบคุมเป็นความอยากโดยชอบโดยทำความอยากไม่ชอบโดยทำเป็นความอยากที่ปีนเกลียวกับรบเบียบ ก, กับศีลกับธรรมกับกฎหมายบ้านเมือง เรื่อระเบียบเอ่ยเรื่องกฎหมายต้านเมืองเอ่ยเรื่องอะไรตัวอะไรเอ่ยเขาบัญญัติอย่างมีมีกฎมีเกณฑมีระบบมีระเบียบเพราะถ้าผิดระบบผิระเบียบผิดสินผิดธรรมแล้วนำไปสู่ความทุกข์ให้กับผู้ดีอรับเอาไปใช้ไปสอยแต่ถ้าเป็นไปทัื่อปีนเกลียวสีเหล่านั้นแล้วมีแสดงว่าอำนาจตันหาและเราดูไปอำนาจของตันหาอำนาจของความอยาก <c oughs> ดูความอยากที่มันโผล่มาในหัวใจของเราเห็นไหมดูเห็นนะเราภาวนาไปเราพิจารณาไปเราค่อยดูมันโผล่มาเราปล่อยมันดูตอนที่เราอยากรู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาตอนไหนที่ไรเมื่อไหร่มันไม่เห็นหรอกคอยดูตอนมันเผลอๆก็แล้วกันบางทีเราก็จับได้กลางคันบางทีมันล่วงไปแล้วเราจับหางมันได้อ่าาะจับหางมันได้แล้วมัไม่ปล่อยอ่ะตามจับ ได้กลางตัวได้หัวได้หางได้อะไรทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ผมจับได้แค่าหางแล้วปล่อยให้มันหลุดไปถ้าว่าปล่อยให้หลุดไปก็คือไม่ยอมพิจารณาตามก็เราหลอให้มันตรงไหนเราเผยมันตรงไหนปล่อยให้มันหลุดไม้หลุดมือเราไปแน่คือปล่อยนึกปล่อ ย, อยคิดเรื่องไม่ดี แ, แต่แล้วแทนที่จะเอากิตที่ประกอบไปด้วยสติด้วยสัมผัสัญญาเนี่ยมากํากับดูแลพิจารณาตรวจตรา ว่ามันบดบกพร่องมันขัดข้องต้องไหนอะไรยังไงไม่ทบทวนไม่ตรวจสอบบางทีก็ปล่อยปล่อยไป ป, ล, ไ ป, ป, ล, ไปล่อยไเละลายเป็นจินเป็นกิบเป็นนิสัยเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตที่จเรียกว่านิสัยนิสัยนิสัยนิสัยก็คือคนชอบทําอะไรตามใจชอบจนสีวงเ่านั้นตกเป็นเครื่องชอบใจชอบใจอย่างนั้นชอบใจอย่างนั้นที่จะเรียกที่เรียกอนุสัย อนุสัยอนุสัยเป็นนิสัยที่นอนเนิ่งอยู่ในจิตตามอำนาของกิเลสที่เรียกว่าเจริย์นิสัยกิริย์นิสัยจริยน <Years. S 1> <negó ffe. S 2> ิสัยกิรินิสัยจริยนิสัยที่เป็นธรรมที่ชอบด้วยธรรมก็มีจริยนิสัยที่เป็นเป็นอานาจของความอยากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ ที่เราวนไปวนม า, นมาพิจารณาไปพิจารณาเพราะนัการทํางานเราจะต้องขัดเกลาอยู่ในนี้เอ า, เอาทั้งหลักธรรมถากทั้งหลักพิพัสนาหลักสมรมถากก็คือบริการกําหนดจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวพุโทโธพุโทโธถ้าพิจารณามาที่พุโทโธในขณะปัจจุบันทันด่วนด้วยแล้วมันเป็นทั้งสมถากและพิะพิสนกกาไปในขณะเดียวกันพุทโธฉันก็มาตรองดูผู้ที่ดำริว่าพุโทโธลองลองท้นมาดูพุโทโธ พุทโธพุทโธดูลองดูไปเห็นให้เห็นอะไรดูให้เห็น <Sherman. S 1> อะไรดูไปแล้วจะเห็นอะไรและให้เห็นอะไรดูให้มันเห็นลองดูให้มันเห็นมันคืออะไรมันเป็นอะไรพุทโธพุทโธดูผู้ว่าพุทโธเนี่ยคืออะไรเป็นอะไรเราดูตัวนั้นเราดูผู้นั้นจ่อเข้ามาจอ่อเข้ามาจอ่อเข้ามามันละเอียดนะมันละเอียดการที่เราจะหักห้ามกิจของเราไม่ให้ใหไม่ให้เพลินไปกับอารมณ์ ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันก็อยู่ได้ด้วยอุบายด้วยวิธีที่เราทําไม่ใช่อยากให้อยู่ก็อยู่ได้อยากให้หยุดก็หยุดได้หยุดไม่ได้ต้องหยุดได้ด้วยงานหยุดได้ด้วยงานเอาจนจิตของเราสงบอยู่กับวิธีการอันนี้ที่เรียกว่าทำจนเป็นท้าเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทําทําจนเป็นทําแล้วทําซ้ๆ ภาวิตาภาวลีตาทําให้มากเจริญให้มากทําซ้ําๆภาวนาทําซ้ําๆบริกรรมซ้ําๆทําซ้ำๆพูดซ้ําๆพิจารณาซ้ําๆเรียกว่าภาวนาย้ำไปย้ำมาย้ํำมาย้ำไปย้ำอยู่นั่นแหะเวลานี้ก็ย้ําเวลาลงไปทําอีกก็ย้ําเดินก็ย้ํายืนก็ย้ํานั่งก็ย้ําย้ําให้มันให้มันเชื่องให้มันฉินให้มันเข้าใจพยายามหาเงื่อน มันซ่อนเงื่อนเงื่อนของกิเลสเงื่อนของตัณหาเงื่อนของธรรมชอนใช้สอะหาเงื่อนของธรรมชอนใช้หาสาะหาเงื่อนของกิเลสเพื่อที่จะดึงมันออกชอนใช้สาะหาเงื่อนของธรรมเพื่อที่จะมาทำเพื่อเพื่อที่จะมาเจริญเพื่อที่จะมาปลุกฝังให้เจริญชอนใช้ไปการที่เราชอนใช้ไปชอนใช้มาเพื่อที่เราไปพิจอทีราจะมาเนี่ยนะ มันเป็นการชรนชัยหาหาเงินหาปง่งหาความฉลาดหาปมความโง่หาอุบายของความฉลาดก็ต่อสู้กันด้วยงานสองอย่างต่อสู้กันต่อสู้กันด้วยงานสองอย่างคืองา น, นที่เราจะต้องทำเพื่อต่อสู้จงไทยกันหาในหัวใจต่อสู้ด้วยายสมรรถะสงบระ ง, งับมันต่อสู้สด้วยใบ วิปสน า, าพิจารณามัพิจาราเาไปวิธีของตัณหาเนสงบระงับมันซะก่อนเพื่อเอากําลังพอเราสงบระงับมันได้เรามีกําลังกําลังคือสมาธิสมาธิคือความสงบของจิตความตั้งมั่นของจิตความเชื่องชินของจิตอเราปล่อยมันไปอยู่อยู่เนี่ยวนอยู่กับละ ว, น อ, อวนอยู่กับต่อวนอยู่กับตัวตนเรานี่แหละ มันไม่หลุดหม้หลุดมือไปนู่นไปนี่ส่งเห่อทยานไปกีร่โลกกีทับิยุทธ์ก็ไม่รู้แหละมันไม่ไปไหนไมันอยู่กับนี้อยู่กับเนื้อกับตัวมีไม้เพราะว่าเราฝึกฝนอบรมได้ถ้าเราฝึกฝนอกเราไม่ได้แล้วจับมาก็โดดไปจับมาก็โดดไปจับมามก็ดิ่นไปจับมามก็ดิ่นไปแล้วก็จิเของเ่าเราทําไงล่ะโอยเราสู้มันไม่ได้แล้วแน่ถ้าเราไม่สู้แตเราปล่อยมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ม no ีใครทําให้ เราลองทําเอาเองนี่แหละถ้าเราเอาเองชะล้างเอาเองําระเอาเองขัดกลับเอาเองไม่มีใครจะให้ไม่มีใครล้างให้ไม่ไม่มีใครฝึกให้ฝึกจนช่ําจนช่องจนเชื่อมจนชินชินกับอารมณ์ปล่อยมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันฝึกจนเชื่อมจนชินฝึกได้ฝึกได้อบลงได้ฝึกไปก็จะเใช้ชํ า, านาญก็ไปเพื่อ จิตจะทำสงบก็ไปได้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่ฟุ้งซ่านกระสาน ร, ร้างเซนออกนอกมัน อ, อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเป็นตัวของตัวตลอดเดินเดินนั่งนอนก็นเป็นตัวของตัวเกิดขึ้นจากฝุกฝนอบรอมได้ภาคสมมถะภาควิปัสนาก็พิจารณาคลี่คลายย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปดูให้เห็นหลักใครหลักอะไนอย่างทุกข์องอนัตตาเพราะหลักนี้มันเป็นหลักใหญ่ ที่ทำให้ที่เราทําให้เห็นเพื่อทําลายการยิดมั่นถือมั่นด้วยความรักด้วยความหึงห่วงด้วยความทะนกถนอมเห็นว่าสิ่งนี้เที่ยงสิ่งนี้ยั่งยืนสิ่งนี้ถาวรสิ่งนี้เป็นไปตามเจหวังของตัวเราผิดหวังทั้งนั้นทําลายความด้วยความคิดความคิดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งเหล่านี้ได้พิจารณาให้เห็นและเห็นึกวยวาไปผิดผิดของเราจะชะลอความยึดมั่นถือมั่น จะเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนือรู้สึกตัวถอยตัวกลับมาถอยตัวกลับมาถอยตัวกลับมาไม่ไปยึดไม่ไปเกาะไม่ไปผัวพันกับที่เรียนตัณหาเลียนนะมันพันเข้าไปพอเรื่องมหาสติเนี่ยเราพิจารณาเรื่องใดเรื่ ง, รงหนึ่งมันจะทะลุไปหมดมันมีเรื่องที่เราจะต้องพิจารณามากมายเยอะแยะแต่เวลาเวลาเราทํางานเราทํางานจากเรื่องเดียวจับกายก็พิจารณากายอย่างเดียวทะลุถึงเวทนาทะลุถึงจิตทะลุถึงธรรม จับเรื่องเวทนาอย่างเดียวทะลุถึงกายทะลุถึงจิตทะลุถึงธรรมจับเรื่องจิตอย่างเดียวทะลุถึงกายทะลุถึงเวทนาทะลุถึงธรรมพิจารณาเรื่องธรรมอย่างเดียวทะลุถึงเวทนาทะลุถึงกายทะลุถึงจิ ต, ต, ตมันเป็นเหมือนกำปั้นเวลาเราทํางานเหมือนกัำปั้นเวลาเรากรรมไปมันอยู่ในข้อนนั้นเดียวกันแต่เวลาเราต่างออกมาโอ้ นิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสี่ห้านิ้วเมื่อเขาคันทั้งห้าเวลาเราทํางานมันก็มากําปั้นก้อนเดียวกันพราะเวลาเรากางออกมาโอ้โป้ชี้กลางนางก้อยคันทั้งห้าเวทกายเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเวลาเขาทางานมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะผู้รู้ตัวเดียวเป็นผู้มาทํางานตัวนี้ กายก็เป็นกายของผู้ร no. ู้เวทนาก็เป็นเวทนาของผู้รู้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของผู้รู้เวลาเขาทํางานก็เท่ากับทํางานอันเดียวกันมันถึงกันหมดเนี่ยเราพิจารณามาอย่างนี้เราจะมันก็ค่อยๆเปิดฐานให้กับเราค่อยๆเปิดความรู้ค่อยๆเปิดความเข้าใจให้กับเราทาให้ภายในใจของเราสว่างสว่างด้วยความปฏิบัติเหล่านี้ เพื่อที่จะเข้าไปที่คลายทำลายโมหะขวางรุ่มหลงของเราได้อ่าเอ า, าละพอต้องควรละ ว, วันนี้สามทมุ่มครึ่ง